พระบัญญัติ4 9ก็ภิกษุณีใดออกปากขอของอย่างหนึ่งและออกปากขอของอย่างอื่นต้องอบัณิสขิยบาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ